เขาอาจจะเขาอาจจะตื่นประมาณตั้งแต่สามคร่งกว่าไปแล้วถึงนอนเต็มที่กันหมดทีงจริงเอ๊เวลานอนเขานอนอยังไงถึงจะถึงจะไม่เพีย้ยท่านอนอนยังไงถึงไม่เพีย้ยตอนตอนสมยัยตอนสมัยเด็กๆตอนสมัยเด็กๆ เ, เคยเจอพระถาวไอ้หนู เคยเห็นสุนัขเมันนอนไหมเราเอี้นเป็นไงว่าสุนัขเห็นมันทําไงเราจําแม่นี่อ๋อเคยเลี้ยงมันเนี่ยมันก็มวนๆวนๆก็นหรอกถามมันสวดมนไหมขอกมันคือคือจริงๆจริงๆการเนอะพระเอ่ยผู้ปฏิบัติทำการนอนเขาไม่ทิ้งกรรมฐานนะเขาไม่ได้ทิ้งกรรมฐานนะอย่าไปทิ้งกรรมฐาน บุคคลที่นอนแล้วมีสติระลึกทิษฎีการระลึกมีมีหลายแบบบางถ้าบางกลุ่มที่เขาพิจารณาความเป็นไปของรู ป, ปกายก็ได้ยกตัวอย่างเช่นอันนี้ในชั้นคำสอนเนีนะ่บางทีท่านกำหนดว่ารู ป, ปกายที่ไม่ไม่ใจ รูปกายมันไม่มีใจอยู่ได้จะไม่รูปขันเนี่ยที่มันม่มีกายไม่มีใจผมคนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกไตหัวใจตบปอดทั้งหลายมันมีใจยขึ้นเลยเนี่ยนอนอยู่บนเตียงเตียงมีใจไหมเห็นไหมเตียงก็ไม่มีใจไอเตียงที่ไม่มีใจมันตั้งอยู่บนพื้นที่มีใจไหมไม่มีใจอีกพื้นเลยบ้านที่ไม่มีใจมันตั้งอยู่บนดินดินแผ่นดินมีใจไหมไม่มีใจแผ่นดินที่ไม่มีใจมันไปตั้งอยู่บนน้ํา ดินมีน้ำรองรับอย่างน้น้ำก็ไม่มีใจนะน้ำที่ไม่มีใจมันตั้งอยู่บนอะไรบนลมลมก็อุ้มน้ำอยู่น้ำที่มีใจไอ้ลมที่ไม่มีใจก็ตั้งอยู่บนอากาศลองสังเกตดูไหมอากาศก็อุ้มลมลมก็อุ้มน้ำน้ำก็อุ้มแผ่นดินแผ่นดินก็มาอุ้มบ้านหลังนี้ไอ้บ้านนี้ก็มาอุ้มเตียง เตียงก็มาอุ้มรูปกายถามว่าทั้งสองส่วนเขาเคยรู้เรื่องกันไหมพราะเขาเกี่ยวข้องกันยังไงเออก็พิจารณาใช้สติระลึกไปเรื่อยๆนะระลึกไปโอ้ยกายที่ไม่มีใจมันไปตั้งอยู่บนเตียงที่ไม่มีใจนะ่เนี่ยที่สมมติเรียกว่าเตียงอะไรเตียงที่ไม่มีใจมันตั้งอยู่นเนี่ยบนบ้านเนี่แหะเปนพื้นบนบ้านบ้านที่มีใจมันตั้งอยู่พื้นแผ่นดินที่ไม่มีใจเนะ ไอพื้นแม่นดินที่ไม่มีใจมันตั้งอยู่บนน้ำที่ไม่มีใจน้ําที่มีใจไม่ตั้งบนลมที่ไม่มีใจลมที่มีใจก็ตั้งอยู่บนอากาศที่ไม่มีใจอากาศที่มีใจก็มาอุ้มลมทั้งอากาศและลมต่างไม่รู้ซึ่งกันและการเป็นอวัยากระตายด้วยนะเนี่ยไม่เคยรู้เรื่องกันเลยทั้งทั้งที่เขาสัมพันธ์กันอยู่เกิดหนุนกันอก็ไม่รู้เรื่องใช่ไหมล่ะไอน้ําอุ้มแผ่นดินะต่างฝ่ายต่างก็ไม่รู้ซึ่งกันเลยดินก็บอกเออเนื้อหนักไหมที่อุ้มเราไม่รู้นะไม่รู้ ไอ้น้ำก็ไม่รู้ไอ้ดินก็ไม่รู้ว่าเราถูกน้ําอุ้มเขาไว้สองฝ่ายต่างไม่รู้กันแล้วกันดินก็มาอุ้มบ้านหลังนี้ไว้บ้านรู้ไหมว่าเอ้ยดินแบกเราไว้ไม่รู้เลยแม้แม้ดินก็ไม่รู้แบก บ, บ้านไว้แม้บ้านก็ไม่รู้ว่าตนเองอาศัยดินอยู่แม้เตียงนี้ ตั้งอยู่บนบ้านก็ไม่รู้บ้านและเตียงนี้เห็น ไ, ไหมมาอุ้มรูปปาักายที่ไม่มีใจรูปปาักายไม่เคยรู้เรื่องเลยต่างฝ่ายไม่รู้ซึ่งกันและอะไรเนาะที่ไปรู้กลุ่มนามมาทำนี่แนะโอ้เห่นไหมสติที่ไประลึกไล่พิจารณาไปเบื้องต้นก็เรียกเริ่มรู้จักคําว่ารูปธรรมที่ไม่มีใจ อาศัยนามมาทำมีสตินี่แหละตามไประ ล, ลึกอันนี้เป็นไปกับขั้นสอนนี่เนี่ยพอระ ล, ลึกอย่างนี้เบเสร็จถามว่าสติมั่นคงไหมมันคงอ่าวระลึกนี้ได้อะไรได้สติแล้วก็ได้ปัญญาเข้าใจความจริงของชีวิตไงว่ารู ป, ปรกายภายนอกกับรู ป, ปรกายภายในเนี่ยมันต่างกันตรงไหนเนี่ยถ้ามันเอาความคิดออกไปซะแล้วเนี่ยมันก็คืออีกไง มันก็คืออิดดินน้ําไปลมนี่แหละเ อ, อ้ยใช่ไหมนี่กรรมฐานอย่างนี้พระเจ้าสอนแบบนี้แต่เราไม่เคยเอาไปเดินกันจริงๆเลยนะในกรณีถ้าสอนถ้ากรณีนี้มันเริ่มจะอยากจ ะ, จะวางบ้างไหมแล้วมันอยากจะยึดถือไหมตอเนี้ยเ อ, อ้ยบ้านหลังนี้ก็ไม่ค่อยอยากจะยึดถือแล้วไม่จะต่างอะไรกับรู ป, ปกายที่ไม่มีใจเราไม่ต่างกันเลยเนี่ยใช่ไหมครัรายละเอียดเยอะก็ทุกในกรณีนี้เป็น อ่ะจะหมดเวลาแล้ว